อิทธิปาฏิหารรู้เข้าใจไม่ใช่แค่นี้อิทธิปาฏิหารคืออะไรและแค่ไหนอิทธิปาฏิหารเป็นอภิญญาคือความรู้ความสามารถพิเศษยอดยิ่งอย่างหนึ่งมีชื่อเฉพาะว่าอิทธิวิธิหรืออิทธิวิทาการแสดงฤทธิ์ได้ต่างตงแต่เป็นโลกียะอภิญญาคืออภิญญาระดับโลกี ซึ่งโัวพันเกี่ยวเนื่องอยู่ในโลกเป็นวิสัยของปุถุชนอย่างอยู่ในอำนาจของกิเลสเช่นเดียวกับโลกยะพิญญาอื่นๆทั้งหลายคือหูทิพตาทิพ์การรู้ใจคนอื่นและระลึกชาติได้โลกิยะพิญญาทั้งห้าอย่างนี้มีคนทำได้ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลไม่เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม โลกียาพินยาเหล่านี้ก็เกิดมีได้พูดอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวแท้ของพระพุทธศาสนาและไม่จาเป็นสำหรับการเข้าถึงพระพุทธศาสนาสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการเกิดของพระพุทธศาสนาและเป็นตัวพระพุทธศาสนาคือความรู้ที่ทำให้ดับกิเลส ด, ดับทุกข์ได้เรียกชื่ออย่างหนึ่งว่าอาสวะขยญาณแปลว่า ยานที่ทำอาสวะให้สิ้นไปจัดเข้าเป็นอภิญญาข้อสุดท้ายคือข้อที่6เป็นโลกุตระอภิญญาคืออภิญญาระดับโลกุตระซึ่งทำให้มีจิตใจเป็นอิสระปลอดโปร่งผ่องใสพ้นจากอำนาจครอบงำของเรื่องโลกโลกหรือสิ่งที่เป็นวิสัยของโลกทำให้ปุถุชนกลายเป็นอริยชนโดยสมบูรณ์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 พระพุทธเจ้าทรงจัดเป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งในสามอย่างคือ 1. อิทธิปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการแสดงฤทธิ์ต่างๆสองอทศษฐาปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการถ่ายใจคนอื่นได้ 3. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือคำสอนที่เป็นจริงสอนให้เห็นจริง และนำไปปฏิบัติได้ผลสมจริงความหมายตามบาลีดังนี้หนึ่งอิทิปาฏิหารบางท่านประกอบฤทธิ์ต่างๆได้มากมายหลายอย่างคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทําให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ถลุฝากําแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ขุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ใช้มือจับต้องลูกคลาพระจานท์พระอาทิตย์ซึ่งมีกำลังฤทธเดชมากมายถึงเพียงนี้ก็ได้ใช้อำนาจทางกายจนถึงพรหมโลกก็ได้ 2. อ, อาเทศนาปาติหาร ภิกษุย่อมทายใจถ่ายความรู้สึกในใจถ่ายความนึกคิดถายความไตรตรองของสัตว์อื่นบุคคลอื่นได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้จิตของท่านเป็นดังนี้อย่างนี้ว่าตามเกวัตสูตรในทีฆานิกายแต่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ส1็ในอังคุตระนิกายและในปฏิสัมพิธามรรคที่อ้างแล้ว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 ซึ่งไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์แล้วย่อมรู้ชัดว่าท่านผู้นี้ตั้งมโนสังขารคือความคิดปรุงแต่งในใจไว้อย่างไรต่อจากความคิดนี้แล้วก็จะคิดความคิดโน้นถึงหากเธอจะทายมากมายก็ตรงอย่างนั้นไม่พลาดเป็นอื่นอาเทศนาปาฏิหารนี้ดูคล้ายเจโตปริยญาณหรือปริจิตตวิชาญคือการอย่างรู้ใจผู้อื่น แต่ไม่ตรงกันทีเดียวเพราะยังอยู่ในขั้นทายยังไม่ใช่ญาณ 3. อนุศนาสนีปาฏิหารบางท่านย่อมพร่ำสอนอย่างนี้ว่าจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนี้จงมนสิการอย่างนี้อย่ามนัสิการอย่างนี้จงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่เถิด เฉพาะในเกวัตสูตรในทีฆานิกายอธิบายเพิ่มเติมโดยยกเอาอาการที่พระพุทธเจ้าอุบัติในโลกแล้วทรงสั่งสอนธรรทำให้คนมีศรัทธาออกบวชบำเพ็ญศีลสำรวมอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะสันโดษเจริญฌานบรรลุอภิญญาทั้งหกซึ่งจบลงด้วยอาสวะไขเป็นพระอรหันต์ว่าการสอนได้สาเร็จผลอย่างนั้นนั้นล้วนเป็นอนุสาสนีปาฏิหาร อิทธิปาฏิหารไม่ใช่ธรรมะที่เป็นแกนสารในสมัยพุทธกาลเคยมีบุตรเขาหรหบดีผู้หนึ่งทูลขอให้พระพุทธเจ้าสแสดงอิทธิปาฏิหารเขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมือ ง, งานาลนทา น, น้เจริญรุ่งเรืองมีประชาชนมากมีผู้คนกระจายอยู่ทั่วต่างเลื่อมใสนักในองค์พระผู้มีพระภาค ก่อัญเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดทรงรับสั่งพระภิกษุไว้สักรูปหนึ่งที่จะกระทําอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมะเหนือมนุษย์โดยการกระทําเช่นนี้ชาวเมืองนาลันทา น, นี้ก็จะเลื่อมสายยิ่งนักในพระผู้มีพระภาคเจ้าสุดที่จะประมาณพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบบุตรข้าระหบดีผู้นั้นว่านี่เนี่ะเกวัตเรามิได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่า มาเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมะเหนือมนุษย์แก่คนนุ่งขาวชาวคฤหัดทั้งหลายพระองค์ได้ตรัสแสดงเหตุผลต่อไปว่าในบรรดาปาฏิหาริย์สามอย่างนั้นทรงรังเกียจไม่โปร่งพระทัยต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาทิสนาปาฏิหาริย์เพราะทรงเห็นโทษว่าคนที่เชื่อก็เห็นจริงตามไปส่วนคนที่ไม่เชื่อได้ฟังแล้ว ก็หาช่องขัดแย้งขัดข้านเอาได้ว่าภิกษุที่ทำปาฏิหารินั้นคงใช้คันธารีวิทยาและมณิกาวิทยาทำให้คนมัวทุ่มเทียงทะเลาะ ก, กันและได้ส่งชี้แจงความหมายและคุณค่าของอนุสาสนีปาฏิหารให้เห็นว่าเอามาใช้ปฏิบัติเป็นประโยชน์ประจักษ์ได้ภายในตนเองจนบรรลุถึงอาสวะไขอันเป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นยังได้ทซองยกตัวอย่างภิกษุรูปหนึ่งมีฤทธิ์มากอยากจะรู้ความจริงเกี่ยวกับจุดดับสิ้นของโลกวัตถุธาตุจึงเหาะเที่ยวไปในสวรรค์ดันโดนไปสแสวงหาคําตอบจนถึงพระพรหมก็หาคําเฉลยที่ถูกต้องไม่ได้ในที่สุดต้องเหาะกลับลงมาแล้วเดินดินไปทูลถามพระองค์เพื่อความรู้จักโลกตามความเป็นจริงสแสดงถึงความที่อิทธิปฏิหารมีขอบเขตจํากัดอับจน และไม่ใช่แก่นทมเรื่องนี้ดูได้ที่เกวัตสูตรระต่าปิดกเล่มที่เก้าอีกคราวหนึ่งเมื่อสังฆารวาพราหมณ์กราบทูลถึงเรื่องแทรกซึ่งที่ประชุมราชบริษัทได้ยกขึ้นมาสนทนากันในราชสำนักว่าสมัยก่อนมีพระภิกษุจำนวนน้อยกว่าแต่มีภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมะเหนือมนุษย์ได้มากกว่า สมัยนี้มีพระภิกษุจำนวนมากกว่าแต่ภิกษุผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมะเหนือมนุษย์กลับมีน้อยกว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าปฏ า, าออปฏิหาริย์มีสามอย่างคืออิทธิาปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์และอนุสาสนีปาฏิหาริย์แล้วทรงแสดงความหมายของปาฏิหาริย์ทั้งสามอย่างนั้นในที่สุดได้ตรัสถามพรามว่า ชอบใจปฏิหารอย่างไหนปฏิหารได้ดีกว่าประนีตกว่าพรามได้ทูลตอบว่าอิทธิปฏิหารและอาเทศนาปฏิหารคนใดทำคนนั้นจึงรู้เรื่องคนใดทำก็เป็นของคนนั้นเท่านั้นมองดูเหมือนเป็นมายากลอนุสาสนีปฏิหารจึงจะดีกว่าประนีตกว่าเพราะคนอื่นพิจารณารู้เข้าใจมองเห็นความจริงด้วย และนำไปปฏิบัติได้แก้ทุกข์แก้ปัญหาได้